ขณะนี้จิตของเรายัางไม่หลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าวิพุตได้แก่การที่จิตของผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากอนาจของกิเลสเมืว่าจะออกมาในสายอะไรก็ตามรือเป็นเรื่องของโลภะโทสะโมห oh ะความไม่เป็นสมาธิความฟุ้งซ่านที่สายไปของจิตเป็นต้น ถ้าจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นวิมุต ต, ติจิตคือจิตที่หลุดพ้นแล้วคำว่าวิมุตินั้นโดยรูปสรท์แล้วเป็นวยพจน์ของนิพพานคือคำใช้แทนกันได้กับนิพพานกับนิโรธหรือกับวิสุทธ์กับอะไรก็ตามที่มุ่งหมายถึงนิพพานแต่ขั้นตอนของวิมุติ เป็นไปตามสภาวะของธรรมะซึ่งทาหน้าที่ขัดเกลากิเลสให้เจือจางเบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลดังนั้นโดวยวิธีเหล่านี้ทำให้ความหลุดพ้นจากกำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจึงมีอยู่ห้าขั้นด้วยกันขั้นแรกบาลีใช้คำว่าตะทางกวิมุต ก็หลุดพ้นด้วยอำนาจกิเลสด้วยองค์นั้นๆได้แก่การที่บุคคลมีสติรลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะเห็นว่าเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายเป็นมารต่อจิตใจจะดึงจิตใจของตนเองให้ตกให้ตก ต, ตามเล่าร้อนไปด้วยประการต่างๆก็ใช้ปัญญาตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นออกไป จิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสแม้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงขณะใดขณะหนึ่งโึยเกิดไม่จำเป็นจะต้องมานานมากเท่าไหร่ท่านก็นถือว่าเป็นวิมุตติจิตประเภทนี้แล้วข้อนี้บุคคลจะสามารถดูจิตของตนเองได้ตลอดทั้งวันในแต่ละขณะ เพราะการต่อสู้กันของอำนาจฝ่ายตา่ำและอำนาจฝ่ายสูงคือกุศลกับไมกุศลภายในจิตใจของบุคคลนั้นมีอยู่ตลอดไปในวันหนึ่งมีหลายขณะที่บุคคลสามารถเอาชนะความรู้สึกตามแรงผลักดันของกิเลสได้สามารถบรรเทาระ ง, งับดาบกิเลสไปได้ในขณะนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นตะถังกิมุต หลุดพ้นจากกิเลสด้วยองค์ธรรมนั่นๆอย่างในกรณีที่ต้องการจะประพฤติปฏิบัติความดีอย่างใดอย่างเดงอาจจะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะหรือฟังธรรมะถ้าบุคคลได้สังเกตให้ดีจะพบว่ามีสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นมารมาคอยขัดขวางจิตใจของบุคคล ก็จะปรากฏตัวออกมาในรูปของมิตรคอยกระซิบใจห้ามปราบบุคคลเอาไว้มีเงื่อนไขตอรองเป็นนั้นมากแะออกมาในรูปของการทะนุถนอมบุคคลนั้นเป็นห่วงเป็นใยบุคคลนั้นจะมาเมื่อว<บ>านทํางานหนักมาวันนี้ก็ควรจะได้พักผ่อนหรือยังมีการงานที่จะต้องจัดจ้องต้องทําอยู่อย่าไปเลยเปิดวิทยุฟังก็กได้น้าเทพฟังก็ได้ก็เหมือนกันแหละกระยินได้ฟังเหมือนกัน พอจะนึกถึงรักษาศีลก็มีเงื่อนไขที่ทำให้บุคคลไม่ต้องไปในสถานที่สมาทานศีลพยายามชี้แจงแนะนำให้เห็นตามคล้อยตามไปเรื่อยๆแต่ว่าบุคคลมีใจิตใจอ่อนไหวไปตามความรู้สึกเหล่านั้นก็อาจจะกระทาไปตามนั้นซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นก็ตกอยู่ภายใต้บ่วงของมารเป็นอวิมุตติจิตที่จิตที่ไม่หลุดพ้น ซึ่งในชานของการปฏิบัติแล้วก็สงสอนให้รู้เช่นเดียวกันรู้ว่าขณะนี้จิตเรายังไม่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสความเปลี่ยนที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อไจัดบันเทาก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาและแม้ในการดำารงชีวิตประจำวันการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นบุคคลจะพบว่าก็มีจิตประเภทวิมุตติหรือหลุดพ้นจากอานาจกิเลสเกิดขึ้นได้ไบ่อย เราสามารถสัมแดงออกมาได้ทางกายบ้างทางวาดจ็บบ้างจึนสนทนากันเกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจหรือบางครั้งบางครั้งอาจจะเกิดความโกรธแต่ก็ควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่แสดงออกมาทางแววตาทางสีหน้าหรือทางอาการกายวาดจา็จนถึงก็สามารถสลัดความคิดนั้นออกไปได้ นั่นก็คือการหลุดพ้นจากความโกรธด้วยความเป็นผู้ไม่โกรธธรรมะที่จะทํามาที่จะนํามาเป็นหลักใจในขณะนั้นอาจจะเป็นเมตตาอดทนให้อภัยข่มใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็มีผลในทางบรรเทาขาจัดบำบัดความโกรธที่บังเกิดขึ้นหรือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ดีเป็นนั้นมากคนเหล่านั้นร้อยคนก็ร้อยความคิดร้อยจิตใจร้อยพฤติกรรม ที่แสดงออกมาแต่บุคคลก็ควบคุมจิตใจของตอนเองไว้ได้รู้จักผ่อนปลนรู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางไปตามสมควรแก่กรณีไอตรกรณใจซึ่งจะกลายเป็นสนิมใจในโอกาสต่อไปก็ไม่ตกอยู่ภายในจิตจิตของบุคคลก็หลุดพ้นไปจากความไม่ดีเหล่านั้นแทนที่จะโต้ตอบในลักษณะเดียวกัน เราก็แก้ด้วยความสงบใจเอาไว้หรือบางครั้งบางคราวต้องเกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายการแสดงอาการหยาบคายของบุคคลอื่นก็ใช้สติระลึกปัญญาพินิจพิจารณาโทษของการกระทําเช่นนั้นที่ปรากฏแก่บุคคลนั้นในขณะนั้นๆก็มาน อ, อนนึกพิจารณาด้วยตัวเองเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นผู้เป็นบุตรของสกุล เป็นศาสนกในศาสนาเป็นวาสุบาสิกาจะทําอะไรไปตามอานาจของอารมณ์ mm hmm. เช่นบุคคลที่กำลังทําอยู่ในขณะนี้ mm hmm. ก็ไม่เป็นการสมควร mm hmm. เราจะคิดแบบคติไทยตานองไทยไม่ต้องการเอาพิมพ์เสนไปได้เกลือไม่เอาทองไว้รักกับกระเบื้องไปต้นแล้วก็ระงับยับยั้งความคิดที่จะโต้อตอบไปได้นั่นก็เป็นการหลุดพ้น <c oughs> <c oughs> ซึ่งจะเห็นได้ว่าความหลุดพ้นจากอานาจกิเลสระดับนี้ เป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปสามารถสัมผัสได้และสัมผัสได้มากขึ้นตามพื้นฐานของคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่อยู่ที่สติระลึกรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆถ้ายังเป็นอกุศลอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้จิตเป็นอวิมุตติจิต ยังไม่หลุดพ้นจากกับหนากของกิเลสแต่ถ้าเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตของตนได้หลุดพ้นจากกับหนากกิเลสในขณะนั้น <c oughs> ในการปริปฏิบัตินั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกันในคู่อื่นๆคือส่วนที่เป็นวิมุตต์จะหลุดพ้นจะแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ต้องพยายามประคับประคองรักษาเอาไว้ให้เพิ่มผูดมากขึ้ น, นและให้ดารงอยู่ได้นาน พลังดู ค, ความสุขความสงบอันเป็นผลที่บุคคลต้องการจากการประพฤติปฏิบัติและแม้แต่กิจการดํารงชีวิตของตนถ้าในกรณีที่ยังเป็นอวิมุตตจิตคือจิตซึ่งยังไม่หลุดพ้นจากอานาจกิเลสเก็บกดความอาฆาตความพยาบาทความไม่พอใจสนิมใจความคลาดความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆทับถมอยู่ภายในใจมากก็ดูจิตของตนในเห็นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็เพียรพยายามละเพียรยายามขัดกล่าวไป การรู้ทั้งสองด้านจึงมีผลในการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของตนเองให้สามารถหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสทิ้งช่วงได้นานยิ่งขึ้นวิมุตตข้อต่อไปเรียกวิวขมพนะวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นด้วยการกดทับไว้หรือบีบบังคับไว้ด้วยกุศลและธรรมที่มีปริปาล มีความเข้มแข็งมีกำลังมากพอที่จะบังคับไม่ให้อกุศลละธรรมเหล่านั้นบังเกิดขึ้นซึงแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นอกุศลละธรรมบังเกิดขึ้นรอบนำใจของบุคคลซึ่งเป็นภารากิจของสมถยา น, นิกคือผู้ใช้การประพฤติปฏิบัติสมถะเป็นญาณภานะนำไปสู่ความส ง, งบจะต้องขจัดบำบัดนัน ก็คือกลุ่มกิเลส ท, ที่ทรงเรียกคำว่านิวรณ์บ้างเรียกว่ากิเลสเพียงดังเนินบ้างเรียกว่าเป็นสนิมของใจบ้างแต่สรุปว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจะมีอันตรายต่อจิตใจตามความรุนแรงของมันการปฏิบัติกรรมาฐานในส่วนของสมถกรรมาฐานที่ก่อให้เกิดสมาธิจิตขึ้นดังกล่าวในวันก่อน เราเพิ่มพูนขึ้นมาจนเป็นระดับของฌายนย่มสามารถซสงบนิวนรณธรรมทั้งห้าประการลงไปได้เมื่อสงบนิวนรณธรรมทั้ง5ประการลงไปนั้นเพิงเข้าใจว่ากิเลสเหล่าอื่นที่มีชื่ออย่างอื่น ม, มีลักษณะอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกรุ่มรวมจิตใจของบุคคลได้เพราะกิเลสประเภทนิวรณ์ก็คือ โ, โรคปวดลง กิเลสประเภทอื่นที่มีชื่ออย่างอื่นก็คือโรคหลุดขงที่แต่กิ่งก้านสาขาออกไปเมื่อส ง, งบนิวรณ์ก็ชื่อว่าส ง, งบส่วนอื่นเช่นเดียวกับพูดว่าการละตันหาก็ชื่อว่าละกิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างอื่นมีลักษณะเมื่อการอย่างอื่นออกไปเพราะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนแยกกันไม่ได้แต่การจะเรียกชื่อกิเลสออกไปต่างๆนั้นเป็นการเรียกตามอาการที่ทํำปฏิกิริยาต่อจิตของบุคคลเวลาแกเกิดขึ้น เช่นในกรณีของการกระสิบกระซาบใจดอกย้ำความรักใคร่ปรารถนาพอใจข ว, วัญคว้าสสับสนหาหรือการกระซิบใจที่ก่อใหเกิดความขัดเคืองรุนแรงมากยิ่งขึ้นท่านก็เรียกว่าชาปปาแปล ว, ว่าผู้กระสิบใจที่จริงอาการเหล่านั้นก็เป็นอาการของโลภะกับโทสะนั่นเองกระสิบใจในสายที่ก่อให้เกิดความดรักใคร่ยินดีก็เป็นเรื่องของโลภะ กระติบใจในลักษณะที่เพิ่มพูนความอาคาัดแค้นจริงๆให้มากยิ่งขึ้นก็เป็นสายของโทสะแต่ใจที่ยังถูกกระซิบด้วยแรงของกิเลสเ ช, ช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นจิตที่ยังมีโมหะอยู่อันดันั้นวิคัมพนาวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นตามกำลังของสมาธิจนถึงระดับของกำลังฌานนั้นเป็นการสงบกิเลสและหลุดพ้นจากอานาจกิเลส ที่ทิ้งช่วงระยะนานออกไปสาบใดที่ชานทั้ง4ประการนั้นไม่สืบซึ่งอาจจะเป็นวัน2อันสันหรือ9 20, 20, 50, ปี20ปี50ปีหรือจนตายออกไปกิเลสก็จะไม่ครอบงำจิตใจของบุคคลสาบนั้นแต่ทั้งนี้ท้นั้นหมายความว่ากิเลสก็ยังมาอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นเองแต่เป็นเหมือนกับ ตะกอนที่อยู่ใต้ก้นภาชนะน้ำใสยอยู่ข้างบนท่วมท้นมากเหลือเกินตะกอนก็สัมเด่งอะไรออกมาไม่ได้น้ำข้างบนเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคดื่มกินใช้สอยได้ตามปกติจิตใจของบุคคลที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสประเภทนี้ที่เราเรียกว่าวิคัมพนาวิมุตติก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะปิดเป็นจิตที่สะอาดสงบ มีปัญญาในสัดส่วนหนึ่งที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองวิถีชีวิตของตัวเองให้เดินไปในสายของกุศลธรรมเพียงสายเดียวจะไม่แวววนออกไปในสายของอกุศลธรรมถ้าฌานทั้งสี่ประการนั้นยังไม่เสื่อมพราะฌานสประการทึ่ประกอบเป็นองค์ห้ประทราหนั้นสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการเอาไว้ องค์าของฌานั้นก็คือวิตกความสึกที่เป็นกุศลวิจารณ์ความไตรตรองที่เป็นกุศลปิติความเอิบอิ่มใจที่ประรุธรรมะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นสุขความสบายกายสบายใจเลก่กเกตตาคือจิตที่เข้าถึงความเป็นอันเดียวหรือสมาธิจิตเมื่อแก่ บ, บังเกิดขึ้นแล้ววิตกก็จะทําหน้าที่สงบถีนมิทานิพนธ์วิจารณ์จะทําหน้าที่สงบวิจิกิจานิพนธ์ ปิติจะทำหน้าที่สงบพยาบาทนิพพานสุกจะทำหน้าที่สงบบุตาจาักกุกจักนิพพานเอกะกะตาคือความที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวจะทำหน้าที่สงบกามฉันนิพพานซึ่งก็หมายความว่าองค์หเจริญอง ห, า, องหาละองค์หเมือ่ออหประการคือองค์ข้องฉันเพิ่มขึ้นองค์หประการคือนิพพานก็ต้องสงบ ราลบพวกนี้เป็นไปโดยนัยยะที่เคยกล่าวอยู่เส ม, มอว่าเหมือนความมืดกับแสงสว่างจะปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ยามใดที่องค์ห้าของรูปฌานมีอยู่ยามนั้นขณะนั้นนิวันต้งห้าประการก็จะไม่กำเริบภายในจิตใจบุคคลนั้นวิมุตติประเภทนี้ถ้าเรียกโดยผลตรงช้คาว่าวิคัมพนะวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยการกดทับกิเลสไว โดยอาศัยกำลังแข่งชานแต่แต่เรียกส่วนเหตุเรียกว่าวิคัมพนะปะหานะคือการละด้วยการละกิเลสด้วยการกดทับไว้ด้วยกำลังแข่งชานเช่นเดียวกันดังนั้นในการศึกษาเชิงปริยัติบุคคลก็อาจจะพบว่าวิคัมพนะ ม, มุดบ้างวิคัมพนะปะหานะบ้างหรือบางทีก็เรียกว่าวิคัมพนะนิพพานบ้าง โดยความหมายแล้วเป็นการพูดส่วนเหตุบ้างส่วนผลบ้างแต่ผลที่ปรากฏแก่จิตใจของบุคคลนั้นคือนิวรณ์ซึ่งสงบประทมไมชานคราะห์งังใจเป็นใจที่สะอาดเป็นใจที่สงบมีปัญญาปรากฏขึ้นทาให้ระลึกรู้ทันอารมณ์ได้เร็วกว่าจิตใจของสามัญชนทั่วไปแต่การสงบงับกิเลสประเภทนี้หรือการหลุดพ้นจากกิเลสระดับนี้ เป็นความหลุดพ้นที่ท่านใช้คำมาลีอีกคำหนึ่งว่าอากุปธรรมคือกําเริบได้เปลี่ยนแปลงได้แ ป, ปรรูนได้ตกตามได้ตาควาสติสัมปชัญญะขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งเวลาตกตามอาจจะตกแรงกว่าปกติก็ได้ตกระดับที่ไม่รุนแรงมากเกินไปก็ได้นี่ตกอยู่ในระดับกลางๆ ก, ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านเหล่านี้เพียรพยายามต่อไป จะบังเกิดรูปฌปานเร็วขึ้นกว่าสามัญชนเป็นตํานองการเดินทางไกลของบุคคลที่เคยเดินผ่านทางมาแล้วก็เดินได้ไปเร็วกว่าเพราะไม่ต้องไปเครือบแคลงสงสัยในหนทางที่ตนเดินเนื่องจาก้เคยเดินมาแล้วการเดินทางการเดินของจิตไปสู่ความสงบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือท่านจ ะ, จะเจริญกรรมาฐานจเจริญชาญได้เร็วขึ้นแม้ว่าโอกาสฌานเหล่านั้นจะเสื่อมไป การดูจิตว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นจึงดูสองระดับนี้เป็นประการสําคัญระดับแรกเป็นเรื่องสาธารณทั่วไปก็ดูเมื่อไหร่ก็ได้เช่นบางครั้งบางคราวในขณะที่นอนแล้วเกิดนอนไม่หลับก็ดูใจตัวเองว่าทาไมจึงนอนไม่หลับใจขณะนี้เป็นอย่างไรมีอะไรเป็นสนิมใจเป็นปัญหาหัวใจอยู่บ้างไหมมีราคะมีโทสะมีโมหะมีความฟุ้งซ่าน มีความไม่สงบปรากฏตัวภายในจิตหรือไม่แต่ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทําใจให้สงบที่จากอารมณ์เหล่านั้นก็สามารถนอนหลับได้หรือแม้อ่านหนังสือใจลอยฟังเทศใจลอยทําอะไรใจลอยไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลึกทันแล้วก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นไปการปฏิบัติโดยในยณ น, นี้ถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งทำได้ทุกทุกศาสนาทุกทุกส่วนของโลกแต่ถ้าหากว่า จ, จิตใจของบุคคลถูกครอบงาด้วยกิเลสตลอด24ชั่วโมงก็คงจะอยู่ได้ไม่เกิน3วันจะถึงความวิปลาสคือคารสติไปเลยเป็นบ้าไปเลยแต่เพราะเรามีมิมุตระดับนี้อยู่ที่คอยละคอยบรนเทาคอยขยจัดอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกตัวจิตใจออกไปอยู่เสมอ สุขภาพจิตจึงไม่ถึงเสียหายรุนแรงมากนะักสามารถที่จะเป็นผู้นำกายกั้งตนให้ดำเนินไปในทางที่ชอบที่ควรได้การหลุดพ้นในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวก็ดูในส่วนของตะกอนใจคือส่วนที่ตกค้างอยู่ขอะจะมีความรู้สึกว่าเราไม่โกรธในอาคาิพยาบาทแต่ก็มีความขัดเคืองความไม่พอใจเป็นตะกรอยู่นิดนิด ก็รู้ว่านี่ยังไม่หลุดพ้นจริงนะ่ะเมื่อรู้ว่ายังไม่หลุดพ้นจริงก็พยายามที่จะลืมเรื่องเหล่านั้นออกไปเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของตัวเองไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรคือปฏิบัติได้เลยแต่ส่วนวิคัมพนาวิมุติซึ่งเป็นความหลุดพ้นในระดับสองนั้นจําเป็นจะต้องใช้สติสัมปชัญญะที่มีกํำลังแรงเพราะฉะนั้นเพราะไม่อยาเป็นอย่างนั้นแล้ว ความน้มน้อมเข้าหาความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความสงบไม่เกิดสมาธิระดับสูงที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิซึ่งการในวันก่อนก็จะไม่เกิดเมื่อสมาธิระดับนี้ไม่เกิดปฐมฌานก็ไม่เกิดเมื่อปฐมฌานไม่เกิดการสงบนิวรณ์ก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีรูปแบบมีพิธีรีตองที่ทําให้บุคคลสามารถใช้เรียบทต่างๆโดยมีสติสัมปชัญญะความเพียรเข้าควบคุมกํากับ ระลึลกรู้ทันอารมณ์พยายามปรับจิตใจคุ้นเคยต่อความสงบซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ของใจเนื่องจากใจอยู่ทรงกันข้ามกับความสงบใจเป็นธรรมาชาติที่ดิ้นรนกวัดแกวงห้ามยักยักษายากมากสายไปในะอารมณ์เป็นที่ใครแต่ความสงบนั้นก็คือความไม่พุ่นงายไม่ฟุ้งซ่านไม่สับสนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในชั้นต้นดังกล่าวแต่พอชั้นสุดท้ายมันก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมา เพื่อให้ความสงบเหล่านั้นดำรงอยู่ได้นานความสงบในชั้นนี้จึงมีผลมีอนิสงฆ์มากนอกจากจะให้เกิดความสุขความสงบในทิฏฐธรรมขึ้นในปัจจุบันแล้วถ้าฌานยังไม่เสื่อมฌานจะสร้างภกชาติที่เป็นพรหมโลกให้แก่บุคคลผู้นั้นจะอยู่มีสุขอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานๆซึ่งถ้าว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพิณิพจน์แล้วอาจจะหลงทางเข้าใจว่า ตัเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือเข้าถึงที่สุดแห่งโลกหรืออยู่ในสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนก็ได้แต่ไงก็ตามในชั้นนี้ก็มีผลมีอนิสงฆ์มากกว่าชั้นต้นวิมุตติข้อที่สนั้นข้อที่สามสี่ห้าเป็นอาการต่อนเนื่องกันข้อที่สมเรียกว่าสมุทเฉตวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยการตัดกิเลสได้เด็ดขาด เป็นการตัดในแต่ละจุดจนถึงจัดได้อย่างหมดสิน้นแต่กิเลสใดที่ท่านละได้แล้วท่านคลายแล้วดับแล้วหลุดพ้นไปแล้วกิเลสเหล่านั้นแม้จะมีอารมณ์อย่างไรก็ตามมากระแทกกระทันให้เกิดขึ้นอีกก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนภายในภาชนะที่มีน้ําบริสุทธิ์จริงๆใครจะขย่าอย่างไรความขุ่นข้นตะกรอนก็จะไม่เกิดขึ้นในน้ํานั้น จิตใจของบุคคลประเภทนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่การหลุดพ้นประเภทที่เรียกว่าสมุจเจตเปรยมุดคือหลุดพ้นด้วยการตัดขาดได้นั้นก็ต้องอาศัยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในริมคหมื่องค์8ประการให้สมบูรณ์อย่างน้อยก็ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสามารถตัดกิเลสได้บางจุดจนเป็นพระโสดาบันนำบุคคลตัดกิเลส ประเภทโมหะยังหยาบๆยาได้สามจังและกิเลสเหล่านี้แม้จะมีอารมณ์กระตุ้นจากภายนอกอย่างไรก็ตามก็จะไม่หวนกลับมาสู่จิตใจของท่านถ้านาจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกตินิยมของสังคมที่เรียกว่าโลกาอวัตือคล้อยตามโลกไปแต่จิตใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นทีนี้านหลุดพ้นแล้วชื่อว่าหลุดพ้นไปแล้วดีว ระดับนี้จึงไม่อยู่ในชั้นของกิจตานุปัสนาสติปัฏฐานแต่เป็นการอยู่ในระดับของญาณซึ่งบังเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติก็รทำให้สมบูรณ์ในอริยสัจทั้งสี่ประการแล้วยาณก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นสมุทเชตวิบุช่วงที่สมบูรณ์จริงๆก็คือของพระอระหันต์ที่หลุดพ้นได้อย่างเด็ดขาด การปฏิบัติกรรมาฐานก็เดินมาจากสมถะเข้าวิปัสสนากรรมาฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณไปตามลําดับพอถึงจุดหนึ่งนั้นจะเกิดความรู้ผุดขึ้นภายในจิตใจหลังจากได้สร้างเงื่อนไขเหตุปัจจัยต่างๆให้เกิดความสงบความรู้มาเป็นลําดับถึงจุดหนึ่งความสมบูรณ์ก็จะติดตามมาทิฏฐพระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงแส ด, แดงแก่ท่านปัญจพคีว่า ลูกรริสูจทั้งหลายระยะสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบอร์นายในรูปเป็นนาสัญญาสังขานวิญญาตเมื่อเบอร์นายก็คลายกำหนัดพระคกาศกำหนัดจิตก็ค้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดยานรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ขีณาชาติชาติสิ้นแล้วอุสิตังพรหมจริยงพรหมจรรย์และอยู่จบแล้วกระตั้งกริยังกิติควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาปรังกิษฐตายติปิชานาติติจิตอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี เนั้ชั น, นี้จึงไม่ใชชั้นจิตตาปัสนาแต่เป็นชั้นของญาณที่เป็นผลอัเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั่นเองหรือในระยม ก, ก็เป็นนัยะเดียวกันคือเรื่องเดียวกันหลังจากนั้นท่านก็เป็นปฏิปัสสติวิมุตติต่ อ, ตอนเนื่องมาเองจิตก็ดส ง, งบได้แก่ส ง, งบจากกิเลสภายในและส ง, งบจากอารมณ์ภายนอกมันส ง, งบสองชั้น ใจสำคัญที่สุดก็คือคือกิเลสภายในอารมณ์ภายนอกนั้นแกก็คงเป็นอย่างที่แกเป็นแก่คงจะมีอย่างที่แกมีแต่เมื่อใจอันเป็นสื่อให้เกิดความกำหนัดรักข้าเยินดีต่ออารมณ์ภายนอกไม่มีแล้วอารมณ์ภายนอกก็มีก็สักแต่ว่ามีสมบูรณ์ใจก็ท่านก็จะสงบไม่แสดงการขึ้นอาการลงฟูขึ้นพูบลงไม่ว่าจะประสบส่วนที่ดีหรือว่าส่วนที่ไม่ดีก็ตาม วิมุตติการสุดท้ายได้วันนิสระณะวิมุตติเป็นคุณสมบัติโดยตรงของพระยาบุคคลทั้งสมข้อไในก่นการที่จิตของท่านออกไปจากอำนาจของกิเลสหลุดพ้นจากสังสารวัฏอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าแก่ภิกษุปัญจพคีเมื่อยานระดับนี้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่าก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีซึ่งหมายความว่าหลุดพ้นจากวงจรของสังสารวัฏเป็นโลกุตระภูมิ ไม่มีพบเป็นที่อุบัติเช่นพบของสิ่งที่ยังมีสัตว์ที่ยังมีกิเลสทั้งหลายนี่ก็คือวิมุตติจิตแต่วิมุตติจะนามัจานาจึงมีอยู่เพียงสองระดับแรกที่กล่าวแล้วแต่เป็นบันไดเบื้องต้นซึ่งบุคคลจะต้องพยายามก้าวเดินไปเพื่อสู่วิมุตติสองสางเพื่อสู่วิมุตติ3สีห่หตามลำดำับ นั่นคือเส้นทางการประพฤติธปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคย้าทรงแสดงไว้โดยในยะหนึ่งต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป